เรื่องที่28สละอารมณ์เนา่าธรรมชาติจิตใจของปุถุชนคนเดินดินอย่างเราๆท่านๆนี้เมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่พอใจอย่างมากแล้วก็ยากที่จะสลัดทิ้งได้คร้นอารมณ์ดังกล่าวทับถมอยู่ในใจมากๆเข้าใจของเราก็จะมีสภาพเป็นสลัมหรือที่เทขยะเทศบาลซึ่งเราชอบเรียกกันว่าอารมณ์เสีย แล้วจะทำประการใดชีวิตประจำวันของคราวาดเรานี้มันมีโอกาสที่จะเกิดอารมณ์เสียอยู่ทุกวี่ทุกวันสมมติดูแค่ว่าคนคนหนึ่งอยู่ที่เมืองหลวงนี้และมีฐานะพอประมาณคือไม่ร่ำรวยนักไม่ยากจนนักพอตื่นขึ้นตอนเช้าอารมณ์ก็ยังดีแจ่มใสแต่พอลุกจากที่นอนและเริ่มจับงานประจำวัน ก็จะพบกับอารมณ์ซึ่งเกิดจากเหตุเหล่านี้ข้าหของน้ำเกิดน้ำประปาไม่ไหลจะแต่งตัวเกิดเสื้อผ้าเขารีดไว้ไม่เรียบร้อยจะใส่รองเท้าไม่รู้เด็กเอาถุงเท้าไปเล่นเสียที่ไหนจะออกจากบ้านจออเจ้าข่าวสารมาเก็บเงินพอดีเดินออกจากซอยเฉยแฉะรองเท้าเลอะหมดกำลังยืนคอยรถเมล์ แท็กซี่วิ่งมาฉีดโคลนใส่เลอะรถเมีคันแรกมาคนแน่นยังกะอะไรดีคันที่สองมาคนก็แน่นคันที่สามมาขึ้นมันทั้งทั้งที่คนแน่นยืนหวนอยู่ในรถแล้วเด็กกระเป๋าพูดไม่ถูกหูคนเราะหร้ายผู้นี้กว่าจะได้ไปถึงที่ทำงานก็ชักตาลายแล้วในที่ทางานวันนั้น ยังเจอเรื่องจุกจิกหัวใจอีกตั้งหลายเรื่องหัวใจที่อ่อนเพลียจากการเดินทางมาแล้วยังมาโดนทุบครั้งแล้วครั้งเล่าเย็นเดินทางกลับบ้านก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์เหมือนเหมือนกับตอนออกจากบ้านมาที่ทํางานดีอยู่หน่อยตรงที่เวลาไม่จํากัดอาร์เตไปไหนๆรอเวลาให้รถมันว่างสักหน่อยก่อนได้แต่ก็อีกแหละ พอ ก, กลับถึงบ้านค่ำไปสักหน่อยก็เจอข้อกล่าวหาของแม่บ้านเข้าอีกอยู่ที่ทำงานเคยแต่สอบสวนลูกน้องมาสายแต่พอโดนคุณนายสอบสวนกรณีกลับบ้านผิดเวลาก็ชักโมโหโมโหยังไม่ทันจะค่อยอย่างชั่วได้รับใบเตือนจากโรงเรียนว่าลูกขาดโรงเรียนเสียอีกแล้วเจ้านี่อะไรก็ไม่รู้ดันโผล่หน้ามาเสียอีก ถ้าลองคิดดูสิว่าจิตใจของคนคนนี้จะเป็นอย่างไรถึงคนชั้นฐานะดีขึ้นไปหน่อยก็เถอะสมมติว่าคนที่มีรถยนต์ส่วนตัวนั่งไปทำงานพอจะออกจากบ้านว่าน้ำมันจะหมดแล้วขับบุกโครนออกไปหาถนนเทศบาลไม่รู้จักทำสักทีออกถนนแล้วแท็กซี่ตัดหน้าเฉียดไปนิดเดียว ขับไปตามถนนตกลุมอีกพอจะเลี้ยวเจอป้ายห้ามเข้าแดงแจไปอีกเทศบาลขุดถนนต้องอ้อมสิไกลบึงจะไปให้ทันเวลาจราจรเปิดไฟแดงพอดีรายนี้ก็แย่เหมือนกันรวมความว่าชีวิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่มีทางที่จะประสบอารมณ์อย่างนี้มากเหลือเกิน และอารมณ์อย่างนี้แหละที่บอกว่าอารมณ์เนา่ามันทําให้จิตใจของเราเองหมดความสุขและเรียกกันว่าลมเสียทําไมจึงเรียกว่าลมเสียผมก็ไม่ทราบแต่อาจเนื่องมาจากสองทางกระมังคืออาจพูดเพี้ยนมาจากคําว่าอารมณ์เสียเป็นลมเสียก็ได้หรือไม่อีกทีก็หมายถึงลมที่ออกจากปากคนอารมณ์เสีย อีกทีก็ได้เหมือนกันคือคนเราถ้าลงได้เกิดอารมณ์เน่าเข้าไว้ในใจมากๆแล้วมักจะเปล่งลมที่ไม่ดีออกจากปากด้วยจะพูดอะไรกับใครก็สะบัดแพรดแพรไม่พอจะดุ ก, ก็ดกุไม่พอจะด่าก็ด่าเรียกว่าไม่เป็นปียาวาจาก็แล้วกันถ้าผู้น้อยลมเสียก็ค่อยยังชั่วแต่ถ้าผู้ใหญ่ลมเสียสิลำบาก พวกลูกช้างเข้าหน้าไม่ติดเอาทีเดียวใครโผล่เข้าไปก็ต้องหน้าหย่ออกมาผลที่สุดก็ต้องหลบแต่พอเขาหลบหน้าไปหมดท่านก็ด่าส่งได้ยินไม่ได้ยินช่างมันที่ว่าลมเสียเสียนั้นอาจจะหมายถึงลมที่ออกจากปากของคนที่อารมณ์เสียอย่างนี้กระมังทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับทางสงบมันก็มีอยู่ว่า ถ้าเราอารมณ์เสียจะแก้อย่างไรถ้าคนอื่นอารมณ์เสียล่ะจะทำอย่างไรแก้ตัวเราเสก่อนถ้าเรารู้สึกตัวว่าเกิดอารมณ์เสียเสียแล้วจะทำอย่างไรข้อนี้พระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วในหมวดกรา ว, วาสธรรมหรือธรรมของผู้ครองเรือนมีด้วยกันทั้งหมดสข้อหนึ่ง สจัจจะความจริงใจสองธรรมะความขมใจฝึกฝนตนสามขันติความอดทนเข้มแข็งและสี่จาคะความเสียสละคารวัสัธรรมข้อที่4คือจาคะนั่นแหละครับที่แก้ลมเสียโดยตรงที่พระพุทธองค์ทรงวางจาคะไว้ในหมวดคารวะสัธรรมก็เพราะ ทรงเล็งเห็นแล้วว่าพวกคนครองเรือนอย่างเรานี้มันต้องมีเวลาอารมณ์เสียแน่ๆจาคะในที่นี้ขอแปลว่าทิ้งหมายถึงทิ้งอารมณ์เท่านั้นเองอารมณ์ที่มันเน่าแล้วนั้นไม่มีวิธีแก้ครับนอกจากทิ้งเหมือนอาหารที่มันเข้าไปเน่าอยู่ในท้องเราแล้วป่วยการที่จะไปปลุกเสกให้มันสดคืนมาอีก มีทางเดียวเท่านั้นเองคือทายทิ้งออกไปความจริงทฤษฎีในเรื่องทิ้งนี้สำคัญไม่น้อยกว่าการเก็บนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามไปคือไปสนใจแต่การเก็บการหาบ้านเมืองที่จะสะอาดสวยงามน่าอยู่ก็ต้องไม่มีการทิ้งเช่นจำพวกเศษขยะซากหมาตายแมวตายหนูตาย และแม้คนตายสิ่งเหล่านี้ต้องทิ้งออกไปในบ้านใหญ่เมืองใหญ่เราไม่ใช่จะมีแต่รถนั่งโกโก้แต่เราต้องมีรถขนขยะด้วยเรื่องนี้เป็นหน้าที่เทศบาลเราไม่ใช่จะมีแต่ตึกรามห้องนอนหรูๆแต่เราต้องมีเมนเผาศพด้วยเราไม่ใช่จะมีแต่ช่างเสริมสวยหน้าฉลาม แต่เราต้องมีสับ ป, ปะเลอไว้บริการคนตายด้วยบ้านเรือนที่จะน่าอยู่ก็ต้องไม่มีการทิ้งเช่นเศษอาหารเศษใบตองเศษกระดาษเป็นต้นฉะนั้นในบ้านเรือนของเราแทนที่จะมีแต่ถาดเงินขันทองเราจึงต้องมีถังขยะมีตะกร้าผงมีกระถนมีไม้กว่า บ้านสร้างราคานับล้านหากไม่ได้พึ่งไม้กว่าดอกหญ้าราคาหกสลึงก็แย่เหมือนกันตัวคนเรานี้ก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นแต่หาของข้างนอกมาบรรจุเข้าแต่ของเน่าของเสียเราต้องทิ้งออกไปจำพวกอุจจาระปัสสาวะน้ำมูกน้ำลายเหงื่อใครเราต้องทิ้งออกไปไม่ใช่นั้นแย่ ต่อให้เป็นเทพีชนะมาสิบงานวัดก็เข้าใกล้ไม่ได้หากไม่ทิ้งอะไรออกจากตัวเลยกระโนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวสบู่แปรงแชมพูจึงได้เกิดเป็นของจำเป็นสำหรับชีวิตใจคนเราก็เหมือนกันครับเหมือนกับเมืองเหมือนกับบ้านเหมือนกับร่างกายและเหมือนกับสิ่งธรรมชาติทั้งหลายนั่นเอง คือมีทั้งรับทั้งทิ้งมีการถ่ายเทตามโอกาสกฎอันนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอุกขรันตังปักรันตังซึ่งแปลว่าไหลเข้าไหลออกวิธีปฏิบัติง่ายๆก็คือเราปล่อยให้เรื่องนั้นผ่านไปเสียยกเลิกเสียเลิกแล้วกันไปเพราะมันเป็นของที่แล้วไปแล้ว ส่วนความรู้สึกในเวลาคิดนั้นผมเองก็คิดอย่างชาวบ้านที่เราชอบพูดกันอยู่ว่าช่างมันหรือช่างเขาแต่การที่เราจะคิดอย่างนี้ให้มันได้ผลจริงจังก็ยากเหมือนกันคือคิดนะ่ะคิดได้แต่ความคิดมันตระหวัดไปในทางเอาเรื่องเสียแหละมากเช่นคิดว่าช่างมันถึงตีเราม้่งคอยดู เพราะใจของเรายังมีกิเลสบางทีกิเลสมันบังปัญญาเสียก็มีทำไมผมจึงว่าอย่างนี้ก็เพราะตามข้อเท็จจริงจริงๆแล้วอารมณ์เน่าต่างๆนั้นเวลาเราจำเอาไว้มันมีแต่ทำให้เราทุกข์ให้เราร้อนใจอย่างเช่นเราถูกคนอื่นเขาด่าซึ่งทีแท้เขาก็ด่าเราหนเดียวเท่านั้นตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อน คำด่านั้นก็ได้ละลายหายไปในอากาศหมดแล้วไม่ปรากฏว่าไปติดอยู่หน้าที่ใดเลยในพิภพนี้แม้แต่คนด่าเองเขาก็ลืมไปแล้วจําไม่ได้เสจะด้วยซ้ําว่าเขาได้ด่าเราว่าอย่างไรแต่คําด่านั้นมันก็มาเหลือตกค้างอยู่ในใจเราโดยที่เราจดจำเอาไว้เหมือนกับว่าเราเองมีหน้าที่เป็นขี้ค่าคอยจดจําคําด่าไวใ้ให้เขา นึกๆแล้วก็อ่อนใจเพราะไม่รู้ว่าจะจำเอาไว้หาประโยชน์อะไรบางคนพอถูกใครทำล่วงเกินกลับคิดว่าเธอข้าจะจำไว้จนวันตายบางรายถึงกับจดไว้ในสมุดก็มีกลัวจะลืมนี่จะจำไว้ทำไมยังมองไม่เห็นคำตอบที่แน่ที่สุดก็คือจำไว้ด่าตัวเองคู่อริ ข, ของเราเขาด่าเราหนเดียว แต่เราจำเอาคำด่าของเขาไว้ด่าตัวเองร้อยครั้งพันครั้งนี่แหละหนาความโง่ของคนฉลาดอุปมาเหมือนเราเดินไปเจอเมล็ดตำแยตกอยู่กลางลานบ้านเราก็รู้ว่าตาแยมันทำให้ตัวเราคันปากก็บ่นว่าเมล็ดตาแยไม่ดีแต่มือก็ตักน้ารดให้เมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบ ความโง่ของคนฉลาดดังว่านี้หากจะอุปมาอีกทีก็คล้ายๆกับ ว, ว่ามีใครก็ไม่ทราบเอาซากศพโยนเข้ามาในบ้านของใครคนหนึ่งพระตาเจ้าของบ้านเห็นเข้าก็เตือดอดานใจเป็นกำลังจึงอุ้มศพนั้นมาเอามากอดไว้เวลากินข้าวก็เอาศพเข้าไปด้วยปากก็บ่นว่าเหม็นจริงกินข้าวไม่ลง เวลาไปทํางานก็แบกศพไปด้วยปาก็บ่นว่าเหม็นจริงทํางานไม่ไหวเวลานอนก็เอาศพเข้าไปกอดด้วยปาก็บ่นว่าเหม็นจริงนอนไม่หลับนี่แหละครับการภูมิปัญญาทั้งหลายกรุณาแนะนําบุรุษผู้น่าสงสารหน่อยเถิดว่าทําอย่างไรเขาจึงจะหายเหม็นแน่ละ่ะถ้าเขาไปเที่ยวถามใครๆ ก็อา จ, จมีหลายคนแนะนําว่าคุณจะต้องรีบไปสืบดูว่าใครเป็นคนโยนศพเข้ามาถ้าพบตัวแล้วก็ให้ด่าให้ฆ่าหรือตีให้เจ็บเจบและถ้าสมมุติว่าบุรุษนั้นไปทําตามที่กล่าแนะนําคือไปฆ่าด่าตีคนที่โยนศพเข้ามาท่านคิดไมมว่าตัวเขาเองจะหายเหม็นจ้างมันก็ไม่หาย ถึงไปเที่ยวค่าใครใครตายจนหมดทั้งบ้านแกก็ยังต้องเหม็นแต่ถ้านายคนนั้นลองเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ดูเขาก็จะได้รับคำแนะนำว่าจาาคะคือทิ้งเสียสิและถ้าแกทำตามคือโยอนศพทิ้งเสียตัวก็จะหายเหม็นการที่เราจดจำอารมณ์เน่าๆไว้ไม่ยอมลืม ก็เหมือนคนแบกศพนั่นเองแล้วผมบอกว่าต้องแก้ด้วยจาคะก็คือให้โยนศพทิ้งเสียดังกล่าวแล้วบางท่านอ่านบทนี้แล้วคงจะสงสัยว่าถ้าเราอยากจะทิ้งและคิดว่าทิ้งแล้วแต่ใจไม่ยอมลืมจะทำอย่างไรเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่แต่ไม่เป็นไรแก้ได้ ข้อสำคัญขอให้เริ่มทำตั้งแต่ตอนถูกอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นกระทบก็แล้วกันคือพอมีเรื่องไม่ดีมา ก, กระทบใจอย่าตีราคาให้มันมากนักเช่นพอถูกเขาด่าก็คิดว่ามันด่าเจ็บเหลือเกินหรือความคิดอย่างอื่นในลักษณะนี้แต่ให้รีบคิดทันทีว่าโธ่เรื่องเล็กเท่านั้นเองไม่สำคัญหรือ เรื่องขี้ผงหมายความว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นช่างเล็กนิดเดียวทำอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราตีราคาอารมณ์ที่ต่ำไว้อย่างนี้เวลาที่เราจะเหวี่ยงมันทิ้งออกจากใจก็ง่ายนิดเดียว